ท่านพุทตถาคตได้กระชนอย่างหลายและบรรดาเพื่อนบีสฑิตธรรมนเนรพุทธกาลใสรับวันนี้ก็ยจะขอให้ข้อคิดสำหรับนักปฏิบัติเนื่องในการฝึกมโนโมยิทธิแล้วก็ให้ข้อคิดสำหรับครูผู้ปฏิบัติ การฝึกมโนวิธีที่เราปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันจะถือว่าเป็นมโนวิธีโดยตรงก็ไม่ได้หรือว่าจะถือว่าเป็นหลักของวิชาสามโดยตรงก็ไม่ได้ทั้งนี้ต้องทราบว่าเป็นวิชาบวกกันองสองประการทั้งมโนวิธีและวิชาสาม ด้นการปฏิบัติจึงจะเห็นว่าแตกต่างกับการปฏิบัติที่แล้วแล้วมาในอันดับแรกนี้อยาขอให้ข้อคิดสำหรับนักปฏิบัติก่อนผู้เริ่มเข้ามาปฏิบัติอาจจะมีความรู้สึกว่าการปฏิบัติแบบนี้แตกต่างกับที่อื่นมาก หรือว่าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งที่นี่เองก็เช่นเดียวกันไม่เคยปฏิบัติมาก่อนนั่นก็คือการปฏิบัติให้ถืออารมณ์จิตมีความรู้สึกเป็นสำคัญจุดนี้และเป็นจุดที่หนักที่สุดสำหรับนักปฏิบัติใหม่แล้วก็ที่มีกำลังใจไม่สมบูรณ์เพราะว่า การปฏิบัติแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจในจิตก็อาจจะมีความรู้สึกว่านั่นมันเป็นอารมณ์คิดที่ลวงใจตนเองเป็นสำคัญความจริงเรื่องนี้มันไม่จริงไม่จังอะไรขึ้นมามันเป็นเรื่องสมมติขึ้น เจ่นี้ครูผู้ฝึกถามว่าเวลานี้เห็นอะไรบ้างท่านก็ตอบว่าไม่เห็นแต่ความจริงมันไม่เห็นนี่ครูผู้ฝึกถามว่ามีความรู้สึกของจิตจิตมีความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่บ้างไปถามความรู้สึกของจิตนักปฏิบัติใหม่หรือว่าท่านที่ยังไม่ได้มาก่อน อาจะไปนั่งไม้กว่าเอนี่จะมาปฏิบัติแบบบ้ า, บ า, บ า, บาๆบอๆอะไรกันแบบนี้อยู่ๆก็จะให้มันนั่งนึกถึงความรู้สึกของจิตให้ความรู้สึกของจิตนี่มันจะนึกอะไรก็นึกได้จะวาดภาพแบบไหนก็วาดได้ตามอธัธยาศัยมียความรู้สึกตามกฎธรรมดาเป็นปอย่างนี้ แต่ความจริงขอท่านบรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายโปรดทราบว่าถ้าจิตของเราอยู่ในสภาพอารมณ์ที่เป็นสมาธิแต่การที่จะเริญสมาธิให้ดีนั้นก็ต้องอาศัยกำจัดนิวรณห้าประการให้สิ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เริ่มต้นผู้ฝึกจะให้คำแนะนำ ยาวหรือสั้นนั้นไม่สำคัญ ห, ห้อยท่านรวบรวมกำลังใจของท่านตัดสินใจไปตามนั้นทันทีแล้วก็เชื่อชนิดที่เรียกว่ายอมรับความเชื่อแบบโง่โงที่าว่าโง่ก็หมายความว่าเราจะได้วิสุทธความจริงกัน ว่าที่ผู้ฝึกเขาแนะนำมาแบบนั้นนะ่ะมันจะเป็นผลดีผลชั่วแลวมีผลข้างหน้าเป็นประการใดโดยไม่นึกถึงเรื่องอื่นใดทั้งหมดตั้งใจคิดไตร่ตรองไปตามคำแนะนำของท่านผู้ฝึกแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง <c oughs> อารมณ์จิตอย่าปักให้แน่นยิงเกินไป ขณะที่รับฟังไปก็หมดรู้ลมให้ใจเข้าออกบังคับจิตให้มาอยู่ในขั้นลมให้ใจเข้า ใ, ใจออกแล้วก็ฟังไปด้วยฟังไปด้วยแล้วก็พิจารณาตามไปด้วยการพิจารณาตามให้พิจารณาตามเฉพาะจุดที่ผู้แนะนำแนะนาให้หลังจากนั้น ขณะที่ผู้แนะนำแนะนำเสร็จเพราะว่าต่อเทนี้ไปให้ใช้เวลาปลอดเสียงครึ่งชั่วโมงตอนนี้ท่านก็ต้องใช้กำลังจิตแบบนี้อันดับแรกทำจิตให้สบายไม่มีเวรไม่มีภัยกับใคร แล้วก็ไม่ถือว่าคนนั้นพ่อคนนั้นคนนี้พ่อคนี้เราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาพ่นั้นเป็นซ้ายพน่นี้เป็นขวาพวน่นี้เป็นกลางพน่นี้เป็นบัญชาที่ป็ไตยพน่นี้เป็นประเด็ิการพน่นี้เป็นขอมนิทในวงการของพระศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองวางอารมณ์เสียให้หมดใครจะเป็นอะไรมาจากไหนก็ช่าง มีความรู้สึกอย่างเดียวว่าคนที่มานนั่งรวมกลุ่มกับพวกเรานี่เป็นพวกของเราเรามีความรักเขาเท่ากับรักตัวเราเราสงสารเขาเท่ากับสงสารตัวเราเรายินดีในความดีของเขาเหมือนกับเราได้ดีด้วย เราจะมีอารมณ์วางเฉยในเมื่อเหตุบางอย่างไม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นกฎธรรมดาที่ป่วยไข้ไมส่สบายดิ้นตงึตงตังโตมตามหรือว่ามีใครยังทงอารมณ์ไม่ขัดข้องในใจบางอย่างที่เป็นที่ไม่ถูกใจเราตอนนี้ระวางเฉยคือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจิตไม่ก็เป็นสุข แล้วโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งนักปฏิบัติที่เขามีผลดีแล้วก็แจ่มใสเร็วนั่นเขาเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์คำว่าศีลบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่จะมาบริสุทธิ์แค่เวลาปฏิบัติต้องบริสุทธิ์กันตลอดมามีบางท่านทรงศีลห้าบริสุทธิ์ บางท่านทรงศินแปดบริสุทธ์เป็นปกติเรื่งองข้อศีลนี่มีความสําคัญมีเกณฑ์บังคับถ้าทรงศินห้าบริสุทธิ์อารมณ์จิตของท่านจะทรงได้ถึงขั้นประโสูตรดาศีทาคามีถ้าทรงศินแปดบริสุทธิ์อารมณ์จิตจะทรงได้ตั้งแต่พระอนาคามีไปถึงอาณาตผลแต่ว่าสําหรับคราวัตได้เถึงแค่าอาณาตมัก ถ้าถึงอานรหัต t a t a วันนี้ถ้าไม่บททุงนี้นิพพานสำหรับพระมีสิ่สองน้อยี่เจุดแล้วเป็นอ น, นว่าอารมณ์ใจของท่านนักปฏิบัติที่มีความสำคัญก็คือมีพรหมิหารสี่มีจิตรักสองสารไม่ฉายินดีไม่เพื่อนดีวางเฉยในเมื่ออุปสรรคเข้ามาถึงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา มีศีลบริสุทธิ์และก็นอกจากนั้นขณะที่ทรงอารมณ์จิตในด้านสมาธิหรือใครควตามที่ครูบายจาร์แนะนำก็จะจิตจะต้องไม่ค้องอยู่กับอารมณ์หนึ่งความรักในรูปสวยในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยการสัมผัสระหว่างเพศ สำหรับนิวรณ์ห้านีนักฝึกใหม่ๆจะตัดเฉพาะเวลาที่กำลังฝึกอยู่ก็ได้แต่ถ้าฝึกไปแล้วถ้าจิตทรงชานถ้ารมอย่างนี้เข้ามายุ่งกับใจชานก็เสียนั่นเป็นข้อดีหนึ่งนะจิตวางเฉยในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศแล้วก็จิตต้องไม่คล้องแวะกับความโกรธความย่มบด ที่มีมาในการก่อนแล้วจิตจะไม่ยอมให้ง่วงเหงาเขานอนจะมีใจเจ็บเบิกบานอยู่เสมออารมณ์ที่เราคิดเราพิจารณาลุลมให้ใจเขาออกต้องส่งตัวไม่ยอมให้รอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการ หมายความว่าครูบาอาจารย์เขาแนะนำแบบไหนล้วปฏิบัติแบบนั้นให้จิตมันอยู่จุดนั้นไม่แลกไปสู่ลมอื่นในบริการที่ห้าไม่สงสัยในคุณธรรมที่เราปฏิบัติเป็นอันว่าการห้าอย่างนี้คือหนึ่งการพอใจในรูปสวยสิงเพราะกลิ่นหอมรสรอยสัมผัสระหว่างเพศ เถ้าความโกรธความย่ำ บ, บาดความง่วงจิตฟุง้งซ่านไม่บังคับจิตไม่อยู่แล้วก็มีความสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้อกับจิตของท่านผลการปฏิบัติของท่านไม่มีเลยปฏิบัติไปสักกี่แสนปีก็ไม่มีผลอ น, นี้นะักปฏิบัติทุกคนจะต้องทรงอารมณ์ให้ได้ ที่เห็นว่าเขาทํามาประเดี๋ยวเดียวเขได้เนะี่ยเขาคุมอารมณ์เขาอยู่แล้วก็ได้ดีตอนนี้แล้วก็มาพูดกันด้วยว่าต่อไปว่าทําไมครูบาอาจาจรย์จึงได้แนะนําให้ใช้ความสัมผัสของจิตคือความรู้สึกของจิตว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่าเห็นอะไรบ้าง ให้ความรู้สึกไม่ใช่ตาเห็นก็อย่าลืมว่าเวลาเราทำํำเรานั่งหลับตาเสร็จแล้วนี่ยใ่เมื่อเรานั่งหลับตาแล้วเราก็ต้องใชอารมณ์ของจิตเพราะการฝึกนี่เป็นเรื่องของจิตเป็นการฝึกจิตเ้าถามว่ามีความรู้สึกว่าเห็นสีอะไรบ้างไหมเห็นแบบว่าจะเจ้าไหม เห็นเทวดาดาวนั่นไหมเห็นเทวดาดาวนี่ไหมเห็นปัจจุลลนดาวมันหนไหมตอนนี้ถ้าจิตของเราเป็นสมาธิจริงความรู้สึกมันจะบอกแต่ยังไม่เห็นที่พูดถึงว่าคนมีอารมณ์อ่อนความรู้สึกมันจะบอกว่าเวลานี้เรามีความรู้สึกว่า มีสีนั้นมีสีนี้รือมีคนนั้นมีคนนี้อยู่ใ ก, กล้ๆกับเราความรู้สึกนี่ต้องใช้ใสายความรู้สึกจุดแรกที่มีความรู้สึกขึ้นเมื่อถูกคำถามเขาถามว่าเวลานี้เห็นพระพุทธเจ้าไหมความรู้สึกมันว่าเห็นก็ต้องตอบว่าเห็น เขาถามว่าพระพุทธเจ้าทรงเครื่องสีขาวและสีเหลืองได้ความรู้สึกบอกวสีแดงก็ตอบว่าสีแดงต้องตอบตามความรู้สึกรู้สึกยังไงตอบแบบนั้นการเห็นสีสันวันนะย่อมเห็นไม่เสมอกันโดยกำลังขขาสมาธิและวิปัสนาญาณ นี่าไปกลัวครูผู้แนะนำเขาว่าจะเขาจะด่าเขาจะว่าความจริงครูผู้แนะนาเนี่ยเขาเประสบการมาก่อนเขาไม่ด่าเขาไม่ว่าเขารู้ว่าการฝึกใหม่ๆ ม, มันเป็นยังไง <c oughs> ต้องใช้กำลังใจเขาควบคุมต่อมาสมมติว่าขอให้ท่านจงตั้งใจรัตนาบา ร, รมีกขาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า เลือกให้โอตามให้่อนำข้าพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่พระจุลามณีเจดีสถานเราไม่เห็นว่าวนั้นแหละเจียดเอาจิตพุ่งออกไปเลยว่าพระจุลามณีเขาลือกันว่าเป็นเจดี ร, รูปร่างลักษณะสีนั่นบ้างสีนี้บ้างแต่ละคนเห็นสีไม่เหมือนกันนั่นเป็นกําลังของสมาธิครูเขาจะไม่ว่าดเราก็จากจิตพุ่งกันไป ให้มีความรู้สึกว่าเวลานี้เราอยู่ข้างนอกและข้างในพระจุลามณีแต่ว่าครูผู้ฝึกเขารู้ใช้กําลังจิตขึ้นไปในครูผู้ฝึกเขาเห็นเพราะจิตเขาบปนทิศถ้าเขาเห็นว่าอยู่ข้างนอกเขาก็จะบอกเอยจะถามว่าเวลานี้พระจุลามณีเป็นสีอะไร พอถามคนอื่นมาก่อนคนอื่นเอตาตอบว่าสีขาวบางสีเหลืองบางแต่เรามนันรู้สึกควาเป็นสีเขียวแล้วก็ตอบว่าเขียวไม่มีผิดเพราะเล้าวจุลามณีมีเจ็ดสีก็สุดล้ายเลราจะเห็นสีสมาธิเป็นอย่างแคบต่อจนั้นไปครูจะบอกว่าให้ท่านเข้าวัจุลามณีไปไหว้พระพุทธเจ้าใ น, นนั้น เราก็สมมติใจตัดสินใจว่าเข้าล้วมันเข้าแล้วไม่เข้าก็าะเอาเข้าอ่ะเข้าก็เข้ากันสร้างความรู้สึกในใจว่าเวลานี้เราอยู่ในพระจุลามณีเ้าถามว่าเห็นพระพุทธเจ้าไหมเราก็รวบรวมกําลังใจว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนบางคนก็ตอบได้ทันทีถ้าสมาธิเขาดี ความรู้สึกบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็บอกไปแล้วก็ถามว่าพระพุทธเจ้าทรงอสีอะไรความรู้สึกมันบอกไงก็ว่าไปตามนั้นแต่ว่าการถามนี่ถ้าเราบอกยังไม่เห็นครูเขาจะแนะนําวิธีพิจารณาของจิตเมื่อครูแนะนําวิธีพิจารณาของจิตเวลาเขาพูดนําเราให้เราคิดตามไปตามคํำพูดเขาทันที ไม่ใช่เราเขาพูดจบแต่และคําเราจับจุดนั้นทันทีตัดสินใจว่าจุดนี้นี่แหละเป็นจุดที่เราจะเข้าถึงเอากันง่ายๆแบบนี้แล้วต่อมาถ้าครูบอกถามว่าพระพุทธเจา้าทรงประทับอยู่ที่ไหนนั่งห้อยขาหรือว่านั่งขัดสมาธิเสียอะไรถ้ า, าจิตมันบอกอยังไงก็ว่าไปตามนั้น ถ้าครกบอกว่าไม่รู้ถ้าจิตมันไม่รู้ก็บอกครูก็ไม่รู้แต่การฝึกนี่ก็ต้องขอไปโปรดทราบเพราะเรื่องของพิญญาวิชาสามไม่ใช่ของเล็กเขาฝึกกันยากมากแต่ว่าที่ได้ตำรับมาใหม่จากท่านพ่อมีความรู้พิเศษท่านให้มานี่รู้สึกว่าทำได้ง่ายมาก แต่ก็อย่าลืมว่าต้องมีพรมิหารสี่มีศีลบริสุทธิ์และก็จิตไม่ครอบนิวรณห้าประการสำหรับพรมิหารสี่กับศีลบริสุทธิ์นี้ต้องตลอดว่ากับตลอดชีวิตไม่ใช่เฉพาะมาเวลาฝึกสำหรับนิวรณห้าประการในขั้นตน้นในขั้นชานโลกีก็ระงับตีเพราะเวลาจะเดินสมาธิ ขณาใดาที่เราเลิกไปแล้วท่านวรมนมาคลุมใจสมาธิเราก็หายถ้าสมาธิมนท่านีวรนเราสามารถคมนีวรนไม่ยุ่งกับใจได้สมาธิก็ทรงตัวและจงอย่าคิดว่าครูเก่งนะความเก่งนี่ไม่ใช่เรื่องของครูเป็นเรื่องของตัวท่านเองจะเก่งและไม่เก่งนี่อยู่ที่ท่าน เมื่อครูก็สั่งพิจรารณาก็มีหลายท่านที่แรกขึ้นไปก็มดึดพิจรารณาวิธีสั้นๆส น, ส น, น้านๆจิตมันก็มีความรู้สึกขึ้นว่ามีจุดแสงสว่างบั่งมีความรู้สึกว่าพระเจ้าจ้านั่งอยู่ลักษณะนั้นบั่งมีวิเทวดาวนั้นมีวิเทวดาวนี้ถ้าจิตบอกแบบไหนเชื่อจิตทันที อย่างนี้ที่ตั้งว่าปันนันบอกว่าถ้าแกจะฝึกกับฉันแกต้องฝึกแบบคนโง่โถ้าโอจใจหลาดฉันจะไม่ฝึกให้อันนี้เป็นเรื่องเป็นความจริงแล้วก็ลองถามคนนียวฝึกได้ว่าใหม่ๆหมเขาก็ต้มเตรียมแบบเรานี่นหะแล้วหลับตามือคลำช้าง พอต่อไปครูก็บอกว่าขอบรมีพระองค์สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับความดีของเราที่บำเพ็ญมาขอเทพวิมานข้าพเจ้ามีอยู่ที่นิพพานขอสมเด็จพระพ毗ชิตามานโปรดนําไปที่นั่นตอนนี้แล้วก็พ่งจิตเอาพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ไปไปเลยก็วอดใจมันก็อยู่ที่นิพพานแล้ว ถ้าจิตมีกําลังกลา้าจิตพูมิอสูรนิพพานอันนี้บางคนเขาก็สว่างตั้งแต่อยู่ราเมณีเห็นจริงๆบางคนเพิ่งจะขึ้นมาสว่างที่นิพพานเห็นวิมานไอเห็นนี่ไม่ใช่หลบตาเห็นความรู้สึกมันบอกเห็นว่าความรู้สึกบอกว่าพระพุทธเจ้านามที่นี้แต่งตัวแบบนั้นวิมารพวกเราแบบนี้แต่งมีสีอย่างนั้นเราแต่งตัวแบบนี้เพศเปลี่ยนไป นี่พูดถึงใหม่ๆถ้าเราฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันทํนทนทาจนชินอย่างเมื่อสองสัปดาห์นี้คุณวิพาพรปราสิิเธอมาวันแรกเธอก็ว่ากันแบบดําน้ํานี่แหละเหมือนกับเร า, เ ร, ารู้สึกว่าวันนั้นกระตุ้งกระเตียงกระตุ้งเตีงยงลากโลกทุ ก, กังกับปณิพันธ์ได้เวลากลับมานอนเธอก็ไม่นอนเปล่า เธอก็รักษาลมของเธอพอเช้ามดืดเธอก็ขึ้นไปหาจุดนิพานตื่นมาใหม่ๆตอนเช้าเวลาฉันอาหารเธอมารายงานว่าหลวงพ่อเมื่าคืนนี้ที่จิตมีความรู้สึกสัมผัสว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เห็นเลยแต่บอกไปตามความรู้สึกของจิตแต่ว่าไม่เช้ามืดนี้กลับเห็นจริงๆทั้งแล้ว เห็นตรงตามนั้นอานนี้ไม่โชอป่าทานเพราะว่าความจริงถ้าจิตมีสมาธิจิตมันเป็นทิพมันบอกจริงแต่ว่าถ้าเราสงสัยก็ถือว่าเราเป็นท่ายขอนิวรถ้าเราเป็นท่ายขอนิวรเอาดีอะไรไม่ได้เลยนิวรเป็นกินเลสนี่ขอท่านนาปฏิบัติใหม่ เ่สร้างความเข้าใจเสียด้วยนี่เประการหนึ่งคนที่เขามีศรัทธาจริงมีกำลังใจจริงเนียงคณะเวสารชานนจันทบุรีวันนี้เราจะเป็นวันที่สิบแปดเมื่อคืนวันที่สิบเจ็ดเธอมาจากจันทบุรีคนนี้ไม่เคยฝึกสมาธิมาตั้งแต่ครั้งไหนเลย เชียงเด่นน้องชายเอาเทปที่เขาบันทึกไว้เวลาฝึกไปฝึกไปพัป่นไปให้ฟังแล้วก็เปิดฟังไปเรื่อยๆนั่งฟังบ้างนอนฟังบ้างจิตก็คิดตามไปในที่สุดก็ท่องเที่ยวไปในพบต่างๆได้แล้วก็เห็นชัดเมื่อคืนนี่มาให้สอบถามพอเดินเข้าไปเห็นใจของเธอใสไม่แก้ว ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเมื่อถามชื่อจึงได้ทราบว่าเป็นชี่พี่ชายงคนคุณสมบูรณ์เบญสานชานนท์เห็นจิตใสนี่ควจริงครูเขารู้จิตเห็นจิตใสนในที่ไหนก็ไปในหมดก็เห็นชัดหมดให้ตั้งจิตตรงไปพระนิพพานธอเคก็บอกถึงแล้ว ถามว่าวิมนานของเธอรูปร่างไปยังไงเธอบอกถูกเห็นพระพุทธเจ้าไหมเธอบอกว่าเห็นดูตัวของเธอเองเธอบอกถูกต้องในที่สุดมิดามันดาของเธอตายไปแล้วในความจริงครูผู้ฝึกก็รู้ว่าพ่อแม่ของเขาที่ตายแปแลอยู่ที่ไหนก็จะต้องการให้เธอตอบ บอกเวลานี้ไปหาพ่อกับแม่ที่ว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนเธอก็ตอบ ว, ว่าพ่อกับแม่ที่ตายไปอยู่ชั้นนาวดึงถ้าบอกให้ไปหาพ่อกับแม่ถามว่าิมานของพ่ออยู่ก็ไล่อยู่ลามณีไหมเธอตอบตรงเพลงว่าอยู่ก็ไล่พระจุลามณีแล้วถามว่าิมานของแม่แหละอยู่ตรงไหน เธอก็ตอบตรงจุดอีกว่าวิมายเขาแม่โยกกรลออกไปหน่อยหนึ่ง <c oughs> ห้างไปหน่อยหนึ่งเนี๋ยไม่ใช่คำว่ากรลว่าห้างไปหน่อยหนึ่งเธอถามว่าเวลานี้พ่อกับแม่มาแล้วหรือยังเธอบอกมาแล้วความจริงครูพขาฝึกเขรู้ว่ามาแล้วเขาอย่าหยาทับถามว่าท่านดีใจไหมเข า, าตอว่าท่านนางสองดีใจมากที่ลูกชายขึ้น ม, มาได้ ให้ถามท่านานางสองว่าท่านพอใจจะปนิพันธ์ไหมท่านนางสองก็ตอบว่าเ ต, ตรียมตัวพร้อมกังเตรียมตัวเพื่อปนิพันธ์คือว่าเป็นบารมีต่อนี <c oughs> ่คนดีเขามีปัญญาและมีกำลังใจจริงเพียงแค่เอาเทพในการฝึกไปรับฟัง เขาก็สามารถทำได้ทังเพียงนี้และก็อารมณ์แจ่มใสจริงๆด้วยฉะนั้นการฝึกที่จะได้หรือไม่ได้ในมันอยู่ที่เรารับการฝึกครูบาอาจารย์แนะนำอย่างนี้เราก็ไม่เราก็ไม่ใช้กำลังจิตใจตามแล้วก็ปล่อยอารมณ์ซึมปรสบ้างคิดปอยโน้นบ้างคิดไปอยางนี้บ้างสิ้นไม่บริสุทธิ์ซบ้าง ขาดพรมีหันสีไปบ้างตกอยู่ในหน้าของอนิวรห้าบ้างก็พังอย่างนี้ฝึกไปเท่าไหร่ก็ไม่มีทางได้ลบหมดจะไปได้และไอ้ที่ได้ก็ได้ไม่งั้นมันได้เร็วไม่ใช่ได้ดีเปนได้ลมเร็ว คำว่าลมเลวก็หมายความไม่ได้ชาญสมาบัติไม่การฝึกนี่มันต้องร่วมกันทั้งสมาธิและวิปัสสนาญาณการที่จิตเราเคลื่อนขึ้นไปได้นั้นเป็นกําลังของสมาธิการจะเห็นอะไรชัดและไม่ชัดเป็นกําลังของวิปัสสนาญาณแต่ว่าสมาธิที่ฝึกเป็นสมาธิพิเศษ ที่เป็นสมาธิเนื่องโดยวิชาสามและอภิญญาฉะนั้นท่านนั้นหลายที่ฝึกในเรื่องนี้ต้องมีความเข้มแข็งต้องตั้งใจให้แนว่นวแนว่อย่างที่รลวาปานท่านบอกว่าถ้าแกจะเล่นกับฉันแกต้องเรียนอย่างคน โ, โง่โงห้ามฉลาดทั้งนี้ื็หมายความว่ า, วาท่านสราบชัด ความแบบไหนมันถูกแบบไหนมันผิดเมื่อคนที่เดินทางไปใหม่ๆคนที่เขาเดินทางไปก่อนเขาจะบอกว่าเส้นทางนั้นเลี้ยวไปทางนั้นเส้นทางนี้เลี้ยวไปทางนี้ถ้าเธอจะไปนั่นต้อไปเส้นทางนั้นถ้าเราเชื่อเขาแล้วก็เดินตรงทางถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราอดเลียวนะก็อดดีไม่เป็นไร ถ้าเราอดเร็วไปแวะทางซ้ายแวะขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผิดทางมันก็ไม่ถึงข้ <c oughs> อนี้มีปมาชั้นใดคิดผู้รับฟังอาจารย์ผู้สอนก็เหมือนกันก็ต้องใช้อารมณ์แบบนี้แหละถ้าหากว่าทำอดตัวว่าเป็นพนดีเป็นผู้ฉลาดนั่นก็นหมายความว่าการฝึกของท่านชาติทั้งชาติไม่มีผล ให้เบิการในเ ว, เวลาตั้งอารมณ์อย่าตั้งให้มันแน่นเกินไปปล่อยอารมณ์สบายๆทางจิตให้มันเป็นสุขอารมณ์เบาๆจับลมหายใจเข้าออกให้คําภาวนาคนดีให้การพิจรารณาก็ดีทําแบบสบายๆอย่าให้เครียดและอย่าให้มันนึกถึงเรื่องอื่นให้มีอารมณ์จิตพอเป็นสุขพอดี เพียงเท่านี้การฝึกคืนเดียวก็ถึงจุดจบได้ตามความประสงค์ตอนนี้เทพหน้าที่หนึ่งหมดไปบันเดียรับฟังเทปหน้าที่สองต่อไปใหม่เพราะกลับเทปก่อน